จากโดยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษเรื่องความรักขณะนี้รัฐบาลของย่างแห่งชาติได้กระชักพื้นที่ไว้หมดแล้วจึงเรียนมาเพื่อ้าบ ดึกเหงามีแสงดาวเป็นเพื่อนใจคุณนอนไม่หลับมันกระสับกระส่าคุณเลยออกไปเที่ยวคุณด <up. S 1> ื่มในผับสารให้นิเกิมแล้วคุณก็เต้นเพลงในกเกสตกคารคุณเจอผู้หญิงชู้บุกหน้าคุณถามเขาว่า้องชื่ออะไรต้องบอกชั่วคุณพร้อมพิงดีๆพอถึงตีสี่คุณก็ คุณถามน้องว่าไปกินข้ต้มต่อไหมน้องตอบไปได้ไวไปสิไปสิ น้องเขาไปต่อน้องก็เอลอลอกบอกไปก็ไปวันนี้ฮุกโกลมคุณงคิดในใจเชนน้องเขาไปเล่นผีเพราะคืนนี้มันต้องกระชับพื้นที่ออออกับน้องต้องดีมากๆแต่คุณคิดส ก, กิดใจน้องเขาเป็นใครและ ว, วันไหนสแต แ, แหวนซื้อไปซี่และเล่หอยใหญให่คุณคิดจะซื้อจุ่มยางอลไรไหมแต่คุณก็อายไม่กล้าบอกแครชี้ ซื่อใจซื่อให้าสอเพราะไม่รู้ว่าน้องผ่าใครเคยมาคุณทำถูกแล้วที่รู้จักรักษารู้จักคำว่าป้องกันป้องกัน